สังคาทิเศษสิกขาบทที่เจ็ดว่าด้วยการบอกคืนพระรัตนตรยัยเรื่องภิกษุณีจันทากาลี709สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่หน้าพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีจันทากาลีทะเลาะ ก, กับภิกษุณีทั้งหลายโกรธไม่พอใจจึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราขอบอกลาพระพุทธ ขอบอกลาพระธรรมขอบอกลาพระสงฆ์ขอบอกลาศิขออกาขาสมณะหญิงจะมีแต่สมณะสักยะธิดาเหล่านี้กระนั้นหรือแม้สมณะหญิงเหล่าอื่นที่ประพฤติดีมีความละอายมีความระมัดระวังไฝ่การศึกษาก็ยังมีอยู่เราจะไปประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักสมณะหญิงเหล่านั้นบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพาคันตมนิประนามพลธ น, นาว่า ฉนัแม่เจ้าจันทากาลีโกรธไม่พอใจแล้วจึงกล่าวอย่างนี้ว่าดิฉันขอบอกลาพระพุทธขอบอกลาพระธรรมขอบอกลาพระสงฆ์ขอบอกลาสิกขาสมณะหญิงจะมีแต่สมณะศักยะธิดาเหล่านี้กระนั้นหรือแม้สมณะหญิงเหล่าอื่นที่ประพฤติดีมีความละอายมีความระมัดระวังไฝ่การศึกษาก็มีอยู่